หนึคันตับพาวานันว่า ด, ด้วยสถานที่ควรไปในวันปวารณาข้อสองร้ามสิภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นพึงออกจากอาวาตที่มีภิกษุไปสู่อาวาตที่มีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้เป็นสมานสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลาย ในวันปวารณานั้นเพิ่งออกจากอาวาตที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ม่ใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งมีภิกษุซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกภิกษุผู้ <c oughs> เป็นสมานสังวาสซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละภิกษุทั้งหลายในวันปวารณานั้นเพิ่งออกจากสถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาตที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีภิกษุ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 ซึ่งรู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนี้แหละ